เดีใใ๋ยวเราววมาฟังคเคสสตดี้กันโอโ้โหเคสสตดี้ อลสติคือตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นภาพของรอออ ก, กมาหรือกดแหงกรรมได้อย่างดีหรือชีวิตในสังสารวัตที่ตกอยู่ภายใต้กดแหงกรรมได้อย่างดีทีเดียวเราจะทำให้ยืนยันคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้เราจะทำให้เราเห็นภายในวัฏฏสงสารมากทีเดียวแหละ แล้วก็ความเชื่อมั่นที่เป็นต้นทางของสมมติที่ก็จะเกิดขึ้นคือเชื่อเรื่องการกระทําถ้าทําบุญใจใสก็ไปสวรรค์ทําบาปใจหมองไปนรกไปอบายซึ่งมันมีจริงๆแต่ว่าต่อมาอมีความละเลยที่จะศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจั ง, จงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็เลยมีความเชื่อแต่แค่ว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมีความเชื่ออยู่แค่นี้หรือบางทีก็เชื่อว่าเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาคู่แต่ว่าผู้รู้บอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันมีจริงๆรงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านไปรู้ไปเห็นมาชีวิตการเวียนว่ายแต่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพทั้งสามเนี่ยว่ามันมีการขึ้นการลงอยู่ตลอดขึ้นอยู่กับการกระทาทั้งสิ้ น, นทําดีก็ไปดี แล้วก็มีชีวิตที่ดีทําชั่วก็ได้ผลชั่วมีชีวิตที่ไม่ดีอย่างนี้นะจ๊ะเคสที่ที่ผ่านๆมาเราก็ได้ฟังกันมาแล้วโดวยเฉพาะเคสที่ประทับใจกันก็โอจากชาติต่างประเทศฮืฮากันไปทั่วโลกเลยเกิดความสลดลันทดโอชีวิตจริงนี่มีหรื อ, รอไม่แล้วก็ไม่ใช่เป็นการทดลองของใครหรอก ว่าทดลองดูว่าถ้ามีชีวิตรันทดอย่างนี้ยังจะรักอยู่หรือเปล่ารักผููทดลองอยู่หรือเปล่าที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีคําตอบให้เขาคือไม่รู้เรื่องเหตุกับผลว่าเออที่มีผลอย่างนี้ไปประกอบเหตุอย่างไรไปทําบาปอะไรมาหรือประกอบเหตุปัจจุบันเนี่ยจะมีผลต่อไปในอนาคตอย่างไรไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลก็ตอบกันไปเรื่อยเปื่อย เป็นการทดลองของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดมันจะมีความอดทนไหมจะเจออนี้ยังจะรักอยู่หรือเปล่าถ้ารักก็จะได้ไปอยู่ด้วยกัน<อ>หรือถ้าป่วยหรือตายก็บอกว่าถ้ารักท่อยากเอาไปอยู่ด้วย<อ>คือยกความดีทั้งหมดให้ท่านเหล่านั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกโลกศีลดหาคําตอบไม่เจอพระเจ้าทาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวท่านก็ดีงนั้นอยู่แล้วเลย เมื่อไรเราเข้าถึงพระเจ้าที่สัมผัสได้ที่มีอยู่ในตัวคือพระธรรมกายเมื่อนั้นความสงสัยก็หมดไปมันก็จะมีคำตอบเหมือน c คสส study ได้วันนี้ที่เราจะฟันในฟันฟันในฟันมาเล่าสู่กันฟังเป็นตุเป็นตะกันนะจ๊ะมารดาของลูกเป็นชาวจีนที่อพยพมาเมืองไทยตั้งแต่อายุหนึ่งปีเป็นบุตรคนโตจากจานวนพี่น้องทั้งสิ้นสิบคน เมื่อมาอยู่เมืองไทยก็มาช่วยมารดาขายผ้าอยู่แถวตลาดมหาชัยได้เรียนหนังสือพออ่านออกเขียนได้เมื่ออายุได้ยี่สิบปีก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งก็เป็นชาวจีนอพยพเช่นเดียวกันโดยสาเหตุก็เพื่อจะได้อาศัยเอาน้องๆของคุณแม่มาเลี้ยงที่บ้านคุณพ่อได้มาแต่งงานได้หนึ่งปีก็มีลูกนี่แหละเจ้าค่ะ ไปตอนที่ลูกเกิดนั้นนะ่ะมีสงครามโลกครั้งที่สองอ๋อเอาสงครามโลกตามมาด้วยเนละคุณพ่อทำค้าขายประสบความสำเร็จมากนี่เห็นไหมบุญพ่อกับบุญลูกรวมกันเลย ม, มีเงินมากถึงขนาดตั้งนำเป็นแรกเป็นทองคำอ๋อและนำไปเก็บไว้ใต้เตียงเป็นปี๊ บ, บขนาดนั้นเลยและด้วยความกตัญญูของคุณพ่อ ประมาณสองปีหลังจากลูกเกิดมาคือลูกเด็กสองขวบเจ้าของเคสซดี้เนี่ยว่าสิ้นสงครามโลกแล้วท่านก็นาทองคำทั้งหมดไปเปลี่ยนเป็นเงินของประเทศจีนและตเตีรมจะเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ของท่านเพื่อ น, นำเงินที่แลกได้นั้นไปให้นี่เป็นความกระตันยูงท่านนะแต่ปรากฏว่าทางการจีนประกาศยกเลิกเงินสกุลของตนก็แปลว่า ทองนั้นเท่ากับศูนย์ซ้ำโรงงานทอผ้าที่คุณพ่อสร้างมาตั้งแต่สงครามโลกก็กลับถูกไฟไหม้อีกเ oh. หลือแต่เพียงร้านค้าของชำเล็กๆแถวบางลำพูตอนนั้นต้องเรียกว่าจากเศรษฐีกลับมาเป็นคนชั้นกลางไปเลยยังไม่พอนะเจ้าคะต่อมาไม่นาพี่ชาของคุณพ่อก็อพยพพาครอบครัวของตนตามมาขออาศัยอยู่ด้วย ซึ่งด้ยวยความกตออัญญูและเป็นธรรมเนียมของชาวจีนที่จะต้องถือเอาพี่ชายเป็นเหมือนบิดาคุณพ่อจึงยกร้านข า, ขายของชำให้กับพี่ชายแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้เกิดขึ้นคือพี่ชายของคุณพ่อเมื่อได้ร้านขายของชำจากน้องชายแล้วก็ไล่คุณพ่อและวก็ขูเรวออกจากบ้านให้ไปทา ม, มาหากินเองโดยให้เหตุผลว่าเพราะคุณพ่อมาเมืองไทยก่อน จะต้องรู้ช่องทางทำกินดีเขทาท่าดีเนื้อเงินนะ่<อ>เป็นยอดปีชายเลย<อ>ก็ให้ออกจากบ้านไปตามหากินซะพอรู้ช่องทางดีดังนั้นภายในคืนเดียวคุณพ่อกับภุิกจะคนชั้นกลางกลายเป็นคนชั้นล่างทันทีจนจนนึกขนาดต้องไปอาศัยวัดอยู่เห็นไหมมีวัดเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่ แม่วันนีต้องมาช่วยกันกระทิ้มนี่แต่คุณพ่อก็ไปทอ้อถอยกลับขยันน้ำหมากินเพิ่มขึ้นด้วยการไปขอยืมกาแฟแจากญาติแส่เดียวกันที่รับถือเป็นอามาคั่วขายทีละป๊บโดินสายลานวัดนั่นแหละเจ้าค่ะเป็นโรงงานชั่วคราวทำไปทำมาคุณพ่อก็ตังตัวได้อีกครั้งเห็นไหม มันมีบุญมีปัญญาและกขยันนี่แหละเป็นอย่างนี้ไม่มัวมาเศร้าโศกเสียใจลูกมี่พี่น้องรวมกันทั้งสิ้นหกคนเป็นหญิงห้าชายหนึ่งลูกเป็นลูกคนโตเมื่อตอนที่แม่ของลูกยังไม่มีลูกชายให้คุณพ่อคุณพ่อก็ขอที่จะมีอนุอีกคนเพื่อจะได้ลูกชายสมใจเออเป็นเหตุผลที่แปลกนะ ถ้าไม่มีอีกก็คงขออีกมึงในตอนนั้นคุณแม่ลูกก็อนุญาตโอ้โหทำไมใจดีจังเลยนะแ้วจัดการหาเจ้าสาวให้ด้วยอ่ะนี่แม่พระนะแต่ยังไม่ทันที่จะได้แต่งงานใหม่คุณแม่ก็ใหกําเนิดลูกชายสมดังใจคุณพ่อแล้วกันแต่อา น, นิจจ่างานแต่งก็ยกเลิกไม่ได้ซะแล้วเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมและยะนั้นคุณพ่อ ก, กาลังทาธุรกิจขั่วกาแฟ มีโรงงานและมีโรงแรมเป็นของตนแล้วฐ oh. านะทางครอบครัวก็มีโอกาสได้ไปอยู่บ้านที่เป็นทรงคราราฮาหลังใหญ่คล้ายบ้านทรายทองนั่นแหละเจ้าค่ะ oh. โ, อโอ้ยหวานอย่างเลยอ่าซึ่งหน้าบ้านหลังนั้นก็มีต้นหางนกยูง oh. ใหญ่ๆอยู่สองต้นหน้าบ้านทรายทองอนะความที่ <Yeah. S 1> คุณพ่อมี็หัวทางการค้าและคุณพ่อเห็นว่า พื้นที่ด้านฝั่งตรงต้นหางนกยูงทางซ้ายมีเหลืออยู่เยอะถ้านำมาจัดสรรเพื่อขายจะได้เงินสักประมาณ7จ็แสนบาทเจ็แสนบาทสมัยนั้นนะคุ้มค่าที่จะแบ่งขายจึงสั่งให้ช่างมาโค่นต้นหางนกยูงนั้นทิ้งแต่ก็มีวิช่างคนไหนทำสำเร็จสักรายเดียวสุดท้ายคุณพ่อจึงต้องลงมือโค่นเองด้วยจอบจนสาเร็จ แ, แล้วเหตุการณ์ที่คาไมถึงก็เกิดขึ้น เช้าวันหนึ่งประมาณเก้าโมงคุณแม่ซึ่งนอนพักอยู่ที่บ้านเพราะมีอาการไม่สบายก็มาถูกฆาตกรรมโดยคนร้ายใช้จอบอันนั้นเป็นอาวุธฟันบริเวณศีรษะจนเสียชีวิตคนร้ายก็ไม่แช่ใครที่ไหนเป็นญาติทางห่างชาวจีนที่คุณพ่อได้ช่วยชีวิตไว้ด้วยการพาเขาไปรักษาโรคไทฟอยด์แล้วก็ให้พักอยู่อาศัยด้วยกันเห็นไห เรื่องของวัตตะกรรมของวัตตะเนี่ยมันสุดที่จะฆ่ากัะเนเลยก็มีคำถามเจดข้อทำไมคุณพ่อมีญาติให้โทษทั้งนั้นเลยเจ้าคะพี่ชายก็ไลออกจากบ้านญาติช่วยไว้ก็มาฆ่าแม่เสียชีวิตอีกกรรมอะไรทำให้พ่อต่างสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งเรื่องเงินของจีนจะยกเลิกโรงงานถูกไฟไหมร้านขายของชาก็ต้องยกให้พี่ชาย คุณแม่ทำกรรมอะไรมาจึงต้องมาเสีชีวิตแต่การถูกฆาตกรรมด้วยจอบทั้งทั้งที่แม่ก็เป็นคนใจดี ร, รักครอบครัวไปทราบอาจะเกี่ยวกับต้นหางนกยุงนะหรือเปล่าเจ้าคะทำไมคุณแม่จึงต้องถูกแต่งงานคล้ายแบบคลุมถุงชนและยังจะต้องทําหน้าที่จัดหาอนุให้คุณพ่ออีกด้วยตอนนี้คุณแม่ไปอยู่พบภูมิใดเจ้าคะบุญที่ลูกทําให้ในวันเชงเม้งที่ผ่านมา แม่มารับได้หรือไม่คะลูกเป็นคนฉลาดมากเก่งทำงานช่วยคแม่มาตั้งแต่เด็กนี่ไม่ได้ชมตัวเองนะเจ้าคะเรียนเก่งในระดับที่อาจารย์ตั้งฉายาว่าเป็นหนึ่งในห้าเสือทำชื่อเสียงให้โรงเรียนทุกด้านทั้งด้านกิจกรรมและการเรียนแต่ทำไมจึงไม่มีโอกาส เรยนระดับอุดมศึกษาในสมัยนั้นเพิ่งจะมาเรียนเมื่ออายุได้ห้าสิบเก้าปีคือปีที่แล้วก็ห oh. มายความปีนี้ท่านอายุหกสิบแต่เดี๋ยวเคยดูนะว่าหยิบภาพผิดบรว่าก็ไม่รู้นึกวาดารานหนังฮ่องกง uh. ยังก็สาวเ wow. ้าเมือนสาวเ้า <laughs> คราวนี้ลูกคงจะได้เรียนถึงระดับปริญญาโทนะเจ้าคะ เดี๋ er ยวก็ดูแล้วกันนะว่าครูใหญ่พูดถูกหรือเปล่าเหมือนสาวๆเลยสาๆาวๆโอ้โหหกสิบนะโอ้จะไปแต่งเพลงใหม่แล้วเขาว่าอะไรยังแจ๋วนะ30ยังแจ๋วอ๋อนี่3สามสิบรอบสองเามาฟังฝันให้ฝันกัน หลับตาฟันเป็นโตเป็นตะกันไปเรามาเล่าสู่กันฟังไอ้ใจน่าศึกษาเลยเด็ดญาติที่ให้โทษเช่นพี่ชายไล่ออกจากบ้านเป็นวิบากกรรมจากอดีตเป็นภาพในอดีต ท, ที่พ่อเคยทำอย่างนี้มาก่อนเรื่องก็มีอยู่ว่า ชาตินั้นท่านเกิดเป็นพี่น้องกับพี่ชายคนนี้แต่ว่ากลับกัน ค, คือตัวท่านเป็นพี่ตัวพี่ชาตินี้เป็นน้องชายทางบ้านก็มีฐานะปานกลางเมื่อบิดาเสียชีวิตก็มีการแบ่งสมบัติซึ่งตัวพี่เองเนะี่ยไม่ยอมแบ่งสมบัติให้น้อง โดยเอาไว้คนเดียวและให้น้องออกจากบ้านไปตั้งตัวเองแต่ก็ไม่ได้ไล่น้องหรอกนะก็พูดยิงดีๆเหมือนพี่ชายพูดในชาตินี้พอมาถึงชาตินี้ก็มาเกิดกลับตาลปัดกันคือพี่มาเป็นน้องน้องมาเป็นพี่โดยวิบากกรรมที่ทำเอาไว้และด้วยความรักเคารพพี่ในชาตินี้ด้วย คือตามธรรมเนียมเป็นอย่างนั้นคารับรักพี่เหมือนเหมือนบิดาเหมือนน้องคารับรักพี่ในชาตินั้นแหละจึงยอมทำตามด้วยความสมัครใจเป็นภาพเก่าในอดีตของท่านจ้าตามทันไมจ๊ะทันเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเข้าใจครับส่วนญาติที่เป็นไทฝอยที่ค่าคุณแม่ที่คุณพ่อช่วยไว้เนะี่ย เพราะเคยผูกเวรกันเอาไว้เรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตแม่เนะ่เคยเกิดเป็นผู้ชายในสังคมเกษตรกรรมได้ทะเลาะ ก, กันเรื่องที่ดินกับญาติของตัวเองในการแบ่งเขตที่ดินและกระเด็ท่าด่าว่าครูที่จะเอาชีวิตกัน ในชาตินั้นแม่ก็ได้ไปหลอบทำลายย้ายญาติคนนั้นโดยใช้จอบฟันให้ตาย oh. ก็เลยผูกเวรกันตอนก่อนตายว่าจะขอติดตามค่าล้างแค้นคืนบกกรรมดึงดูดให้มาเกิดเจอกัน oh. ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ฮะจ้ะ oh. พ่อต้องสูญเสียทรัพย์โดย เงินจีนถูกยกเลิกและโรงงานถูกไฟไหม้ก็เพราะกรรมแนดีเช่นเดียวกันในชาตินั้นที่ไม่ได้ให้สมบัติน้องนะ่ะชาติเดียวกันนั่นแหละเพราะพ่อไม่ได้แบ่งสมบัติชัดเจนก่อนตายพี่ชายก็เลยคิดว่าเป็นสิทธิ์ของตัวที่จะได้ดูแลสมบัติของพ่อต่อไปและในชาตินั้นเองก็ได้ทำการค้าซึ่งมีคู่แข่งเลยใช้ให้คนน่ะ ไปลอบเผาร้านค้าของเขา oh. กรรมนี้จึงตามมาทาันเจ้าต้นหางนกยูงต้นนั้นน่ะมีนางไม้สิงอยู่ oh. และเคยเป็นภรรยาของญาติที่ฆ่าแม่ในชาตินั้นภรรยาของญาติที่ฆ่าแม่ข่าสามีเขาอะ oh. แต่ตัวเป็นภรรยาไง ข้าใจว่าตรงนี้จจเมื่อที่อยู่ตนเองถูกทำร้ายก็เกิดความโกรธเลยไปสิงญาติคนนั้นน่ยซึ่งดูเหมือนควบคุมตัวเองไมื่อยู่ในตอนนั้นสติไม่สมบูรณ์ญาตคนนั้นดูควบคุมตัวเองไมื่อยู่สติไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไ ห, หร่ก่อการผูกเวรข้ามชาติมา <c oughs> ประจบเหมาะจึงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นขึ้น ท, ท, ทั้งๆที่นางไม้อยากจะทําร้ายพ่อมากกว่าแม่ แต่กรรมบันดาลให้ไปทำร้ายแม่ซึ่งเป็นที่รักของพ่อจะ้ะ<อ>เรื่องมันก็ซับซ้อนอย่างนี้<อ>เดี๋ยวตามทันหรือเปล่าเนี่ยทานครับขยัังไจ้ะขที่คุณแม่ถูกจับแต่งงานแบบคลุมถุงชนและจัดอาอนุให้พ่อก็เป็นกรรมเก่าของแม่ในอดีตที่แม่เคยเกิดเป็นผู้ชายได้จับลูกแต่งงานแบบนี้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และตัวก็มีอนุภรยาหลายคนพ อ, อถึงเวลากรรมส่งผลก็บรรดาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเข้าใจไหจ้เนี่ยแม่ตายแล้วก็เวียนๆอยู่กับครอบครัวหลายปีเพราะความเป็นห่วงครอบครัวเมื่อลู ก, กเริ่มโตขึ้นแม่ก็ค่อยๆคลายความผูกพันและถึงเวลาต้องไปเกิดใหม่เจ้าที่เขตจึงชี้ให้ไปเกิด ตอนนี้ไปเกิดแล้วเป็นหญิงสาวอายุราวยี่สิบปีจะจึงยังไม่ได้รับบุญที่ลูกส่งไปให้แต่ก็ให้ลูกทำบุญให้ต่อไปสักวันบุญคงจะได้ช่องจะคือแม่ไปเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วลูกเรียนเก่งแต่ไม่ได้เรียนสูงราะกรรมในอดีตลูกก็เกิดเป็นผู้ชายมีครอบครัวแล้วก็มีทัศนคติว่า ลูกผู้หญิงไม่จะเป็นต้องเรียนหนังสือสูงก็เลยไม่สนับสนุนให้ลูกผู้หญิงเรียนแต่ชอบสนับสนุนลูกชายหรือญาติบริวารผู้ชายให้เรียนสูงสูงบญที่สนับสนุนให้เขาเรียนหนังสือก็สร้างปัญญาบรารมีให้เกิดขึ้นทำให้ลูกเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแต่กรรมที่ไม่ให้ลูกผู้หญิงเรียนหนังสือ ก็ทำให้ลูกนําไม่ได้เรียนสูงนะจ้ะแต่ก็มีอัตฉริยัใสในการศึกษาติดตัวมาจึงขวนขวายที่จะเรียนต่อทั้งๆ ท, ท, ที่อายุมากแล้วเรียนธรรมะภายในจะดีกว่านะจ๊ะอายุกระปูนนี่ด็อกเตอร์ได้ไปกับแขนั่นปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ไม่ได้หรอกจ้ะ แต่ถ้าได้ธรรมกายก็ปิดอบายได้แล้วก็ไปสวรรค์ได้แต่ถ้าจะเรียนเพื่อให้แล้วใจก็เรียนไปเต้เดี๋ยวเรามาดูว่าครูใหญ่พูดเกินความจริงหรือเปล่าวะท่านยังกระสาวซ่าเดี๋ยวดูส่าวซ่าวๆ่าวยดูเนอะหกสิบเนอะ หยีผิดหรือเปล่าเนี่ยหยิบลูกเศ้ามาสงสัยจะลบลูกเศร้าฮะหกสิบเนอหึยังแกวอยว่เขาบอกว่าภาพล่าสุดโอ้ยังเป็นนางวิสาขามหาวาลศิกาวิสาขาร้อยยี่สิบปีก็ยังเศร้าเศ้าอย่างงี้นะ โอ้นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสส s ี u สั้นๆนะจ๊ะ